ขัานสาตุทนพุทบริษัททั้งหลายสำหรับในตอนนี้ก็จะพูดเรื่องอุทุมปริการสูตรหรือว่าวิธีปฏิบัติไปกรมฐานเป็นการตัดกิเลสที่เป็นสมุทเทต ร, ระหาน <c oughs> ตามในองค์สมเด็จพระสัมม า, ส, าสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันกับนิโครทปริภาชกสำหรับแนวการปฏิบัตินี้เขาบรรดาท่านุทธบริษัท ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเป็นคําสอนโดยตรงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเชียงใดที่พระพุทธเจ้า ว, ว่าไม่ดีต้องละให้เด็ดขาดเชียงใดที่พระพุทธเจ้า ว, ว่าดีทําตามนั้นอย่างนี้บรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะเข้าถึงพระนิพพานในตามที่ท่านต้องการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวการแนวปฏิบัติพระกรรมฐานที่ทำันแล้วสิบสองคเศษตอนนั้นทำในเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายมากเสียงก็ไม่ดีและตอนนั้นที่ทำขึ้นมาก็เพราะว่าคิดว่าตัวเองอาจจะตายถ <c oughs> ึงแม้ว่าเวลานี้ก็ยังไม่ดีนักอาการดีขึ้นบ้างนิดหน่อย ก็มาฟังตอนที่แล้วมาคนที่จะตายพูดถิมัรดาท่านพุทธบริษัทก็พูดตามอารมณ์ของตัวเองนั่นก็หมายความว่าในเมื่อตนเองไม่ไว้ใจตนเองคิดว่าตายแล้วจะไปที่ไหนเวลาพูดออกมามันก็พูดจากใจตั้งใจบรนดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามนั้น แต่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการเกินกำลังของบรรดาท่านพุทธบริษัทยิ่งขอปริวัติเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ไม่ใช่เฉพาะเนื้อเรื่องอยิ่งแล้วแล้วมาเล่าเรื่องความประวัติความเป็นมายาวไปบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจะจับการปฏิบัติได้ยากข้อข้อการปฏิบัติได้ยากเจ้านั้นหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านใด นำเอาคัดเศษชุดก่อนมีทั้งเมี 12, 12์สิบิบสองคัดเศษไปแล้วถ้ามีความประสงค์จะมาเปลี่ยนใหม่ขอให้เจ้าหน้าที่ยอมไม่เปลี่ยนทันทีทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ตอนนี้ก็ยังไม่หายป่วยแต่ว่าการดีขึ้นประมาณส0สิบเปอร์เซ็นเป็นวันที่เจ็ดตุลาคมสองพันห้ายิบห บอกวันเวลากันไว้ว่าบันทึกไปตั้งแต่เมื่อไรความตอนนี้เขาตัดท้องเรื่องในเกี่ยวกการปฏิบัติทันทีความมีโยว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจินาศีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ฟังถ้อยคำค น, นิโครธะบริภายชกกับท่านสันฐา น, นากบดีคุยกันซี่พระองค์สเสด็จประทับอยู่บนยอดเขาพิจิโกร ทราบเรื่องราวดีแล้วองค์สมเด็จพระบพทตรแก้วจึงได้เสเด็จออกมาจากยอดภูเขาคิจโกดแล้วก็มันเดินอยู่ในที่ไกลครั้นนี้ครทร้าีพาชกนิมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเข้าไปในสถานที่พักสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจในทรงตรัสถาม ว่าเวลานี้สองคนคุยกันในเรื่องอะไรนี่โครูทัปรีพายชกบอกตามความเป็นจริงว่าข้าพระพุทธเจ้าอยากจะถามพระองค์ว่าการปฏิบัติเพื่อเป็นการละกิเลตตัดให้เป็นสมุเทเฉตปรหารจะทํำยังไงจึงจะบริบูรณ์ทาแบบไหนจึงจะไม่บริบูรณ์นี่ขอตัดเป็นใจความชัดชัด ถ้าว่าตามภาษาบาลีเทากับฟังก็ไม่ถนักองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์โสภาจึิงในมีพระพุทธติการัดว่านี่ดูก่อนอีโรครทะบุคคลบูมมีตะบะในโลกนี้เป็นคนเปลือยคำว่าเป็นคนเปลือยนี่เป็นศาสนาเชนในอินเดียที่เราเรียกว่าอาเจลกก็ได้เชนก็ได้แล้วก็ไร้มั ญ, ญาต ไม่ปฏิบัติในมัญญาที่ดีไม่สมรุนร่างไม่สมรบมมัญญาตเลียมือเขาเชิญให้รับอาหารก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่รับอาหารนี่ก็นําไว้นํามาไว้ก่อนที่หมายควาว่าเขาอาหารมาตั้งไว้ก่อนเวลาเดินมาเนี่ยเขาจะต้องออกมาพอดีถ้าว่าตามมาก่อนไม่ยอมรับ แล้วไม่รับอาหารที่เขานามาเฉพาะในหมายความว่าอาหารนี่ก็นํามาเฉพาะชิ้นเดียวภาชนะเดียวเพื่อองค์เดียวไม่ยอมรับไม่ยอมรับอาหารที่เขานี่มนคือเขานี่มนให้ไปฉันอาหารที่ไหนก็ไม่ไปแล้วก็เขาไม่รับอาหารจากปากหม้อนี่ก็หมายความว่าถ้าข้าวเขาตั้งไว้แล้วมาข้าวข้าวมาจากปากหม้อจะไม่ยอมรับ จะตักจากปากม่อเดียวนั้นไม่ยอมรับไม่รับอาหารจากหม้อข้าวนั่นหมายความว่าเวลาที่เขาจะใส่บาทร ย, ยกหม้อมาทั้งหม้อไม่ใส่ขันอันนี้ไม่ยอมรับและก็ไม่รับอาหารนี้บุคคลยืนคล่อมธรณีประตูนำมานั่นหมายความว่าก่อนที่นำมาเขายืนคล่อมธรณีประตูอยู่ไม่ยอมรับ และก็ไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่องคล่อมคลักนามาไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่อมสักนํามาหมายความขณะที่ก็ยืนลอยใส่บาตรเองเขายืนคล่อมอยู่อันนี้ก็ไม่อยากนไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่อมท่อนไม้นํามาไม่รับอาหารของคนสองคนที่กําลังบริโภคอยู่ ก็มาในหมายความว่าเขาจะให้ของที่เขากาลังกินอยู่เขาเตรียมตัวไว้แล้วแต่ว่าเขานั่งกินอาหารจนอยู่รออยู่ก่อนเพราะมันหิวของใส่คันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ยอมรับไม่รับอาหารของหญิงที่มีคันหญิงมีคันใส่บาทไม่ยอมรับไม่รับอาหารของหญิงผู้กําลังให้ลูกดื่มนม เข้าใจไม่ยากไม่รับอาหารที่เขานัดแทะทำกันไว้ก่อนมาด้วยเขาเตรียมการอย่างเวลาจุดเวลาสึ้นกลางเขาจะทำบุญเขานัดกันว่าเราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้เพื่อถวายพระอันนี้ไม่ยอมรับไม่รับอาหารในที่ซึ่งสุ น, นัขได้รับเลี้ยงดูหมายความว่าเขาเลี้ยงสุ น, นัขอยู่ถ้าของเขาเตรียมไปแล้วขเขาเอามาใส่บาตร ของนั่นมาดีเรียงสุนัข ก, ก็ไม่ยอมรับไม่รับอาหารที่มันแหลงวันตอนเป็นกลุ่มๆอันนี้ก็น่าจะจะน่าจะไม่รับนะ <c oughs> แล้วก็ไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารที่เลือนหลังเดียว แล้วก็กินคําเดียวรับอาหารจากเรือนสองหลังแล้วกินสองหลังเรื่อยไปจนกระทั่งรับ อ, อาหารจากเรือนเจ็ดหลังก็กินเจ็ดคำขอโทษรับอาหารจากเรือนหลังเดียวกินคําเดียวรับเรืออาหารจากเรือนสองหลังกินสองคำเรื่อยไปรับอาหารจากเรือนถึงเจ็ดหลังก็กินเจ็ดคำจากนี้เป็นต้นแล้วก็ยังอัตภาพ ด้วยอาหารในถาดในน้อยใบเดียวบ้างเวลาจะกินน่ะใส่ถาดเล็กๆใบเดียวบ้างสองใบบ้างสามใบบ้างสี่ใบบ้างถึงเจ็ดใบบ้างและกินอาหารที่มีระหว่างเว้นวันหนึ่งบ้างคือกินวันเว้นวันบ้างกินวันเว้นสองวันบ้างกินวันเว้นที่เจ็ดวันบ้าง เป็นผู้ประกอบด้วยความขนขายขวาในการบริโภคพัททีเวนมามีระหว่างเว้นตั้งแต่กึ่งเดือนชิ่นี้บ้างได้นหมายความว่าของที่เขาจะนํามาถวายกินไปครั้งหนึ่งคือเว้นไปครึ่งเดือนวันนี้เขาจะเอานําแกงเผ็ดมาถวายกินแกงเผ็ดวันนี้ภายในอีสิบห้าวันจะไม่จองกินซ้ำทีนี้เป็นต้น เขาเป็นผู้มีผักดองเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะผักดองกินเฉพาะข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะลูกเดือยเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะกากข้าวเป็นอาหารบ้างมียางหรือสาหร่ายเป็นอาหารบ้างมีรำเราเรากินเฉพาะรำเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะข้าวตังเป็นอาหารบ้าง กินเฉพาะกํายานเป็นอาหารบ้างแล้วก็มีหญ้ากินเฉพาะหญ้าอย่างเดียวเป็นอาหารบ้างกินขี้โคเป็นอาหารบ้างกินเงาและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างไม่บริโภคผลไม้ที่หล่นเองอขอขอโทษบริโภคเฉพาะผลไม้ที่หล่นเองเป็นอาหารบ้าง เขานุ่งผ้าปานโดยเฉพาะบ้างคือผ้าอื่นไม่นุ่งหรือว่าผ้าแกมกันเข้าผ้าป า, บานบ้างผ้าอะไรบ้างผสมกันก็ใช้ได้นุ่งผ้าห่อศพ บ, บ้างนุ่งผ้าเฉพาะผ้าปอเสกุลบ้างนุ่งเฉพาะผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งเฉพาะหนังเสือบ้างนุ่งเฉพาะหนังเสือที่มีแลรปผิวครบบ้าง นุ่งเสผ้ากากรองบ้างแล้วก็นุ่งเปลือกผ้าที่ทําได้เปลือกปอกรองบ้างแล้วก็นุ่งผ้าผลไม้กลองบ้างนุ่งผ้ากําพลทําได้ผมขนบ้างนุ่งผ้ากําพลที่ทําได้ขนสัตว์บ้างผ้าแล้วก็นุ่งผ้าที่ทำได้ขนปีกนกเข้าบ้างเป็นผู้ถอนผมและนหนด นี่หมาความว่าหนวดก็ดีผมเขาก็ดีของเขานะ่ยไม่โกนเขาใช้พิธีพยายามถอนให้มันหมดไปเรนบอกว่าคือประกอบในการข้นขวายในการถอนผมและการถอนหนวดค่อยๆถอนถอนกว่าจะหมดเป็นผู้ยืนคือห้ามอัศนะบ้างนี่หมายความว่ายืนไม่นั่งยืนอย่างเดียวไม่นั่ง และบางคนนั่งกระโยงโดยเฉพาะบ้างคืออย่างวิธีอื่นไม่นั่งนั่งเฉพาะขระโยงอย่างเดียวและคือประกอบความเพียรในการนั่งขระโยงบางสมัยความว่าต้องยับยั้งพิยามทุกอย่างถ้ามันจะเพียร่าแล้วก็ตามไม่ยอมห ย, ย, ดยุดจะสยองตลอดเวลาเป็นผู้นอนบนหนามคือสมัยการนอนบนหนามบางอเอาหนามมาปูนอนเป็นการทรมานตัว แล้วก็เป็นผู้นอนบนแผ่นกระดานบ้างสําเร็จการนอนบนเนินดินบ้างคือนอนเฉพาะบนเนินดินบ้างเป็นผู้นอนจะแข็งข้างเดียวบ้างเป็นผู้หมักห ม, มมไปด้วยทุลีบ้างคือปล่อยตัวเปื้อนมันจะเปื้อนมันจะเปื้อ น, น, ย, นยังไงก็ตามก็ไม่ยอมที่จะไปอาบน้ําอาบท่าปล่อยมันตามเรื่องหรือไม่ถือร่างกายเป็นสำคัญ เป็นผู้อยู่กลางแจ้งโดยเฉพาะบ้างคือไม่เข้าในร่มฝนตกฟ้าร้องไงก็ช่างเป็นผู้นั่งบนอาสนะตามที่ลาดไปบ้าง ห, หมายความว่าใครเขาปูให้ยังไงก็นั่งอย่างนั้นบ้างอันนี้ทูกสึกเปล่านิดนเป็นผู้บริโภคอุจจาระบ้างนี่แย่หน่อยนะเป็นผู้ห้ามน้ำเย็นคือว่ากินจะพาะน้ําอุ่นบ้าง อาบน้ำมันละสามครั้งบ้างคือประกอบในการอาน้ำมันลสามครั้งนะ่พระพุทธเจ้าทรงตัดถามว่าดูก่อนนิโครทะท่านจะสาคัญความข้อ น, นี้เป็นอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาตรด้วยตํรมะเป็นการหน่ายที่บริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์อันนี้พระพุทธเจ้านำมาปฏิปทาของพรามไม่ใช่ของทางพุทธมาพูดกันนิโคทะ เราไปหมดแล้วก็ถามว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีครับทวนไหมนิครทัปปิภาชก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปเป็นการหน่ายบาปที่ไม่บริบูรณ์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนิครทะเรากล่าวว่าอุปกิเลสมาก การหน่ายบาปด้วยวิธีนี้นี่ก็หมายความว่าวิธีที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดทนบรรดาท่านพุทธบริษัทท่าบรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลายโปรดทราบวิธีทั้งหมดที่ทำมาแล้วเขาจะดีเขาจะไม่ดีไปเลการใดก็ตามอันนี้ผมก็ไม่ขอวิจารณ์เพราะว่าเป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าการทําอย่างนั้นเป็นอุกิเลส ไม่มีข้อไหนที่จะนิยมว่าดีเลยแล้วก็มีบางข้อที่ยังเขาไม้กินเหล้าเขาโทษ ด, ดงังปึงปังเขาียมันหลน่นไม่กินเหล้าก็ดีอย่างนี้เป็นต้นไม่กินอาหารที่มัแงวันตอมก็ดีความจริงก็รู้สึกว่าจะดีแลก็พิจารณาปฏิปทาแล้วทั้งหมดเป็นอัตตะกิลมฐานนิโยก ทำเฉพาะเรื่องทางกายอย่างเดียวไม่ปรับปรุงทางใจถือทำไปอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นผู้นิดิในโลกธรรมแปดประการที่นิยมในการสรเสริญเป็นต้นและก็มีกับความรู้สึกว่าจะมีมณะถือตัวถือตนมากถือว่าฉันเนี่ยทำได้ดีที่สุดทำได้เประเสิอที่สุดใครทำาชวฉันไม่ได้ จากนั้นขอบขาารนดาพระโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาญาโยมผู้บริษัทที่ปฏิบัติเพืกรรมฐานอย่าปฏิบัติตามนั้นถ้าทุกท่านเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าแต่ว่าถ้าไม่เชื่อก็เป็นหน้าที่ของท่านเน้อก็โปรดทราบขอบรรดาพิสุทธิสมณีทั้งหลายโปรดทราบว่าถ้อยคําในอุทมบริการสูตรนี้ ให้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติของพระในสนักนี้สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงว่าไม่ดีต้องพยายามละสิ่งใดดีพยายามทำตามนั้นแล้วก็ทางยังละไม่ได้จริงๆก็ยับยั้งอยู่แค่ใจคันใช้คันติปรมีอดทนเขาไว้แล้วใช้วิญญาณปรมีห้ามปรามยิ่งให้มันไหลมาทางกายละวาจา ถ้าทำไม่ได้อย่างนี้ยนเลรับก็นีมลออกไปถ้ะเถอะนั่นหมายความว่ายังตัดไม่ได้จริงๆก็ไม่ไดีว่าเป็นได้เพียงว่าถ้ายังตัดไม่ได้ก็ยับยั้งจะให้ไหลมาที่ปากอย่าให้มันไหลไปถึงกายคือปากอย่าพูดตามอารมณ์ชั่วกายอย่าทำตามอารมณ์ชั่วให้มัอยู่แค่ในใจไม่ชากิเลตทั้งหลายเหล่านี้ก็จะสลายตัวไป นี่ก็ต่อของท่านไปตอนนี้คงจะไม่จบอีกตอนหนึ่งท่านกล่าวว่าตอนนี้ว่าโดปกิเลศเขาบอกคนผู้มีตบะนี่ก็หมายความว่าผู้มีตบะคือมีความเพียรเป็นเครื่องเพาะบาปผูกต้องแต่ว่ากําลังใจเสียทําถูกแต่กําลังใจเสียก็พังต่อไปใช้ไม่ได้อมัใช่ไม่ได้อีก เสียงผมก็ยังไม่สมบูรณ์แบบยังขาดตอนอยู่แต่ก็พยายามทำเพราะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาการไข้มันดีขึ้นอจะตายหรือไม่ตายก็ไม่ทราบเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ทำคุยกันต่อไปว่านี่ครธทะปรีพาชกทูนถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าสตรัสอุปกิเลตมาก มากอย่างในการหมายบาปด้วยตะบะที่บริบูรณ์และอย่างนี้เป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะใ น, นการหมายความเขาถามต่อนะว่าคนที่ปฏิบัติตะบะ ค, คือความเพียนเป็นเครื่องเราบาทให้บาปให้เราร้อนคือหมายความพยายามตัดกิเลสจริงๆทำถูกจุดแต่คำใช้ไม่ได้ขอได้ฟังตามนี้นะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตะบะคือไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเผาะบาปให้เราร้อนในโลกนี้ย่อมถือมั่นตะบะเขาเป็นคนผู้ใจดีมีความดำริบริบูรณ์ด้วยตะบะแม้ข้อที่ผู้มีตะบะถือมั่นตะบะดีใจ มีความนำริพบริบุญตัวธบรมนั้นนั่นแลย่อมเป็นอุปกิเลจะบุคคลผู้มีธรรมนี่ก็หมายความว่าทํำน่าถูกแล้วเต็มใจทําแต่ว่าไปปักจุดอย่างเดียวว่าเราทําอย่างนี้จริงจะบรรลุมากผลเป็นว่าจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเมื่อบุคคลมาแนะนำํำและไม่ยอมพลิกแปลง แต่ถ้าบังเอิญตะบะคือความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปทำลายกิเลสนั้นมันเป็นกำลังกำลังใจที่อ่อนไม่สามารถทำลายกิเลสได้กิเลสก็เลยไม่หมดไปอย่างนี้ถือว่าท่านลงตนเกินไปถือตนเกินไปใช้ไม่ได้เพื่อบกิเลสข้อต่อไปท่านตับว่าดูกเาากาะน่โคทะบุคคลผู้มีตะบะจ่อมถือมั่นตะบะ เขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นได้แต่บาทนั่นแม่ข้อที่ผู้มีแตะบาทถือมั่นแตะบะยกตนข่มผู้อื่นได้แตะบาทนั่นแลย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีแตะบะ่บาทในกระหม่อความว่าการทะนงตนตนประพฤติอย่างไรอย่างไหน่งเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสแต่ว่าจะเผาหมดหรือไม่หมดก็ไม่ทราบ แต่กับท่านนองตนขค่มขู่ผู้อื่นว่าบุคคลอื่นนั้ดีสู้ฉันไม่ได้อย่างใ น, นเวลาในปัจจุบันนี้เราก็เห็นเห็นมีอยู่ไม่น้อยเป็นกันเวลาไปพูดทิ้ไหนคนใ ด, ค น, ดคนนู้นบ้างป็ิบริพ่ายคนนี้บ้างคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีบ้างใครไหวเทวดาไหวหมาดีกว่าบ้างอะไรพวกนี้เป็นต้น ไอ้นี่เนะี่ยเขาถือว่าเป็นการทนลงถือตัวในตบะคมโก่คนอื่นวงความขอ้อนี้ผมเห็นว่าเป็นกิเลสที่หยาบที่สุดไม่ใช่กิเลสเล็กน้อยเลย่วนต่อไปว่าดูก่อนในครูทะบุคคลผู้มีตบะย่อมถือตบะต้องถือมั่นในตบะเขาให้ลาบส ก, การะและความสนเสริญเกิดขึ้นในตบะนั้น เขาเป็นผู้ดีใจมีความดาริบริบูรณ์ด้วยลาบสการะสรรเสริญแม้ข้อที่มีผู้มีตบะดีใจมีความดาริบริบูรณ์ด้วยลาบสการะนสนรเสริญนี่แหละย่อมเป็น อ, อุปกิเลสอย่างหนึ่งไอ้นี้ก็เห็นชัดที่พระเจ้าทรงตรัสนี่เป็นการติดในโลกธรรมผู้คนที่จะละกิเลสจริงๆเน่ยเขาต้องละโลกธรรม ลาบ ก, ก็ดีสันเสริงก็ดีถ้าเราไปติดก็ถือว่าเป็นผู้มีกิเลส ท, ท่วมตัวผมก็อยากจะพูดว่ามีกิเลสเลยหัวในเสียงผมก็ยังไม่ดีนักนะครับแหบมากแต่ว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะโลภ ค, ความโลภมันก็เป็นของไม่ดีแล้วติดในลาบ ก, กิเลสมก็จม มันก็เต็มปลักในร่างกายติดในสันเสริญที่พระเจา้าทรงตรัสลาบลาบยศสันเสริญสุขเป็นโลกธรรมถ้าเราติดมนะันก็มีความทุกข์ลาบที่เรามีมาได้แล้วมันก็เสื่อมหมดไปได้ถ้าเรายินดีในการได้ไล่ลาบไม่ช้ากาลังใจก็ต้องเสียใจสะดุดใจมันลาบหมดไปคําสันเสริญก็เช่นเดียวกันคำสันเสรินไม่ใช่ของดี ถ้าเราติดในคํานั้นเสื่อเราก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะว่าไม่มีใครเขาไมนั่งๆ่งตั้งตานั่งสนเซินมาตลอดวันคนที่เขาสนันเซินเราได้เขาก็ติดเราได้ฉะนั้นจงจำไม่ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านินทาประภงสาเป็นธรรมดาของชาวโลกชาวโลกทั้งหมดเกิดมาตามพบนินทาและสนันเซินนี่ท่านมาติดลาบติดสนันเซิน ก, ก, ก็เป็นอภิเลศอย่างหนัก นี่แพอมีละมั้งพอมีไหมฟังฟังตามวิทยุพอจะพอได้ยินบ้างละมั้งพตระองค์ทรงตัดต่อไปวันนีโครูทะหุคคนผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะเขาให้ลาบสการะละสันเสริญเกิดขึ้นด้วยตะบะนั้นเขาย่อมย่อมยกตนของผู้อื่นด้ลาบดสการะในความสันเสริญนั้น แม้ข้อที่ผู้มีตะบะถือมั่นตาบะยังลาบดสกาและสรเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตาบะนั้นยกตนขม ผ, ผู้อื่นในลาบดสกาและสนเสริญอย่างนี้ย่อมเป็นกิเลสแก่บคนผู้มีตาบะมันหมายความทั้งลาบทั้งยศทั้งสเสริญสุขมีความเพียรที่พวก ง, ง่ายๆว่าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา หรือท่านนี้เข้ามาเจริญเป็กรรมฐานที่ใดที่หนึ่งก็ตามทำแล้วคนก็มีความเคารพนับถือเขาให้ลาบมากเขาสรรเสริญมากสมัยนี้ก็ต้องมียศ ด, ด้วยมิมียศถาวรดาศักด์ก็เลยลาบก็ดีคำท่านเสงยก็ดียศก็ดีไปข่มขูคนอื่นว่า เ, เธอในชู้สู้ฉันไม่ได้นะฉันเป็นเพื่อครูนะ ฉันเป็นบระราชากระฉันสามันชั้นราดฉันเทียบฉันทำฉันปมและฉันสมเด็จเรียบร้อยสมเด็จพระสังฆราชอ้นี้ไม่ได้ปราโมทนะถ้าว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเดิ่งกว่าบุคคลอื่นในเรื่องนี้ท่านถือว่าไม่กิเลสเน่กระบางท่านคิดว่านี่ฉันเนี่ยลาบสการะเยอะใครๆก็ให้ฉันมากใครๆสู้ฉันไม่ได้หลงในลาบสการะ แอ า, าลาบสการะไปข่มขู่คนอื่นว่าท่านหากินไม่ได้ถ้าไม่ถูกใจคนสูบผมไม่ได้เอาไปเบ่งทับคนอื่นเขาและคำสารเสริญเ ย, ยนยออท้ามีคนเคารพนับถือมากก็เอาคำสรรเสริญเ ย, ยนยอไปข่มขูพวาใครที่ไหนคนที่คุยกับผมเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหามากเท่าผมไหม ผมมีู้สิตโลหามากกว่าถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจะกลับเป็นกิเลสอย่างหนักไม่เวลาสองนาทีอันนี้นะต่อไปก็ทรงตรัสว่าดูก่อนนีครูทะบุคคลผู้มีตะบะย่อมถือตะบะเขาให้ลาบสการะความทั้งเสริญเกิดขึ้นโดยตาบะนั้นเขาย่อมเมาย่อมลืมสติ ย่อมถือความเมาเอาด้วยลาบเสกการะและความสนเสซนนั้นแม้ข้อที่มีผู้ที่มีตรรบะถือมั่นยังลาบเสกการะด้วสันเซนให้เกิดขึ้นด้วยตรรบะนั้นเมาลืมสติถึงความเมาได้ลาบเสกการะสันเซนนั้นนี่แหละย่อมเป็นบกิเลสแก่ผู้มีตรรบะ สำหรับผู้นี้ก็เหมือนกันเป็นผู้เมาลาบก็ดีสการะก็ดีสรรเสริญก็ดียศถาบรรดาศักดิ์ก็ดีครึมมีความรู้สึกยังไม่ไปข่มคนอื่นแต่มีความรู้สึกในใจว่าฉันนี่แน่ฉันมีลาบเยอะมีคนชอบใจมากสรรเสริญเยินยอเยอะฉันมียศถาบรรดาศักดิ์สูงอย่างนี้ก็ตกอยู่ในโลกการมจมปลัก แทนที่กิเลสจะหมดไปกิเลสกันเลยหัวไปไห น, นไหนบรรดาธุรกิจบริษัททั้งหลายขอ้อนี้เท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งหมดนี่องค์สมเด็จพระบรมสุขก็กล่าวว่าเป็นประกิเลสอุ ป, ปะไปเข้ากายัยใกล้มันกิเลสถือความเศร้าหมองรวมความมาเราเดินก็ไปหาความสุขงกของจิตฉะนั้นขอสาว่วาขอ้อองค์สมเด็จปัรมมสามิตรทุกท่าน ยงละอารมณ์นี้จากใจถ้ามันละไม่ได้จริงๆให้มันขังอยู่แค่ในใจย้ายไหลมาถึงปากยจาไหลมาถึงกายถ้าเราทรมานมันอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่มันก็หลุดไปจากใจเราเองสำหรับวันนี้เวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผ ล, ผล จงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี